10. ภาวนาแล้วอยากดีละสักยัติทิฐิไม่ได้วงเล็บเปิดส1เอ็ดพฤษภาคม2550้าหจุดจุดนาที่ิบเจ็ดวงเล็บปิดการภาวนานะถ้าภาวนาด้วยความอยากดีจะไม่ละความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราจะไม่ละความยึดถือตัวเราเพราะการภาวนาด้วยความอยากดีเนี่ยกำลังเซิร์ฟในวงเล็บสนองความต้องการตัวเราอยู่ให้รู้ทันลงไปไม่ดีก็ได้จำไว้นะ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 ทำให้จิตใจที่รู้สภาวะนั้นรู้อย่างเป็นกลางอ่อนโยนนุ่มนวลเบาสบายปัญญาจะเกิดตอนที่หลวงพ่อสอนอาจารย์สุรวัรก็สอนนิดเดียวบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจไปนะด้วยจิตที่เป็นกลางตรงที่ให้รู้กายรู้ใจก็คือให้มีสติตรงที่ให้รู้ด้วยจิตที่เป็นกลางก็คือมีสัมมาสมาธิแกดูไม่นานเห็นไหมเจ็ดแปดเดือนเองแกก็ได้ปัญญาขึ้นมาว่าตัวเราไม่มีเห็นอย่างนี้ว่าตัวเราไม่มี